24สรู้มีสองอย่างวงเล็บเปิดห้ามีนาคม2550ห้าอห้าสิบจุดจุดนาทีสาสิบเอดวงเล็บปิดถ้าหากทำวิปัสสนาด้วยการรู้กายเป็นหลักต้องทำสมาธิแต่ถ้าทำวิปัสสนาด้วยการรู้จิตเนี่ยทำสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนเท่านั้นไม่ถึงขั้นซีเรียสแต่ควรทำแล้วให้ตามดูสภาวะ ไม่อย่างนั้นมันจะมีแต่สมาธิก็เหมือนเราสะสมเรียวแรงพักผ่อนไว้พอแล้วแล้วไม่ได้ทําอะไรเอาแต่ขี้เกียจเฉยๆเรารู้รูปนามเพื่อให้เห็นความจริงว่ารูปนามไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นตรงนี้จะได้พระโสดาบันถ้ารู้ต่อไปเรื่อยๆจนหมดความยึดรูปก็จะได้เป็นพระอนาคามีรู้รูปนามต่อไปจนหมดความยึดถือจิตก็จะเป็นพระอรหันต์จิตจะพ้นทุกข์ฐาวรต่อหน้าต่อตานี้ไม่ได้พ้นทุกข์เฉพาะตอนเข้าฌาน ความสุขจะอยู่ขณะนี้เลยโดยการตามรู้ตามดูเพราะในสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าสอนหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้มีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้จิตมีราคาก็รู้จิตมีโทสะก็รู้ไม่มีราคาก็รู้ไม่มีโทสะก็รู้มีแต่คำว่ารู้ดังนั้นในสติปัฏฐานเต็มไปด้วยคำว่าในเครื่องหมายคำพูดรู้ไม่ได้มีคาว่ากาหนดหรือคาว่าเพ่งหรืออะไรเลย ท่านใช้คําว่ารู้เต็มไปหมดเลยทุกๆตัวเลยท่านบอกว่าสติปัฏฐานนี้เป็นทางสายเดียวเท่านั้นที่จะถึงความบริสุทธิ์หลุดพน้นเพราะฉะนั้นนอกจากการรู้ไม่ใช่แล้วเว้นแต่ว่าเราไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าสอนถูกนะแต่ถ้าเราศรัทธาและเชื่อว่าพระพุทธเจ้าสอนถูกท่านบอกเลยว่าสติปัฏฐานเป็นทางสายเดียวหายใจออกยาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้ยืนก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้มีแต่คําว่ารู้นะ เป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้จิตมีราคะก็รู้จิตไม่มีราคะก็รู้จิตมีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะก็รู้คำว่าในเครื่องหมายคำพูดรู้มีนัยยะสองอย่างซ้อนกันอย่างแรกคือมีสติรู้ตัวสภาวะที่กำลังปรากฏนั้นเช่นจิตมีโทสะรู้ว่าโทสะปรากฏอยู่อย่างที่สองคำว่ารู้หมายถึงรู้ถูกต้อง คือรู้ลักษณะว่าโทสะนั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ปรากฏขึ้นแล้วก็ดับไปนัยยะของคำว่ารู้ในสติปัฏฐานครอบคลุมความหมายสองอันนี้นะแล้วก็ต้องมีสมาธิหนุนหลังจะสักว่ารู้เป็นคนดูนะ